คนเราในท่าทางว่าไม่เคยเห็นมาก่อนมันก็ยังว่าเนีเหมือนกับท่านอธิบดีหม่อมราชวงศ์ที่เป็นอธิบดีเป็นปลัดกระทรวงผมไม่จาชื่อท่านไม่ได้ลูกน้องไปรายงานว่าพระวัดปา่าวัดปา่าทําลายปา่าแต่คนหนึ่งก็บอกว่าวัดปา่ารักษาปา่าวัดปา่าช่วยรักษาปา่าที่ท่านจะอยู่ข้างในกับหัวหมุนเลยแต่เนยไม่รู้จะเชื่อคํา ลูกน้องคนไหนคนหนึ่งก็ว่าวัดปา่ารักษาปา่าอนุรักษ์ป่าคนหนึ่งก็บอกว่าวัดปา่าทำลายปา่าเท่านก็เป็นท่านเป็นประลัดกระทรวงเนะี่ยท่านก็เป็นยังไงแต่พอท่านมาภูก้อนท่านมาเห็นผูก้อนแล้วก็เข้ามาวัดของเราเนะ่ะมาเห็นวัดของเราท่านก็อ๋ออ้วัดปา่าท่านช่วยรักษาป่าอย่างนี้เองเนื้อที่เป็นพันไร่ ต้นไม้เต็มไปหมดที่วัดป่าทําลายป่านะ่ก็คงจะมีเพราะนั้นเราต้องแยกไม่ใช่ว่าเราจะคิดว่าวัดป่าทําลายป่าทั้งหมดมันไม่ถูกแต่วัดป่ารักษาป่าทั้งหมดก็ควรจะแยกแยะอีกเหมือนกันนี่แหละอันนี้อยากจะให้ผู้ที่เข้ามาพบมาเจอวัดของเราให้เข้าไปดูข้างในว่าเรารักษาป่ารักษาอย่างไงต้นไม้ที่เราปลูก มากขนาดไหนที่เราปลูกสาลงซาลาที่กุฏิเนี่ยมันจำเป็นยังไงเราจึงปลูกลงแต่ส่วนที่เรารักษาเนี่ยคือรักษาไวให้เป็นปานองธรรมชาตินี้ก็คืออยากจะให้เขาได้เห็นได้ศึกษาในส่วนนี้ส่วนที่แยกคนมันต้องแบ่งถึงจะไม่แบ่งมันก็แบ่งโดยปริยายมีสูงมีต่ำ จึงจะไม่แบ่งชาติชั้นบรรณะมันก็ต้องแบ่งรู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนไม่ใช่ว่าเห็นพ่อของเราก็เตะเหมือนน้องชายมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เห็นน้องชายเราไปยกเหมือนให้เป็นพ่อมันก็ไม่ไม่โธเหมือนกันยพ่อก็คือพ่อแม่ก็คือแม่น้องชายก็คือน้องชายพี่ชายก็คือพี่ชายคนไหนเป็นคนไหนมันก็แยกในตัวของเขาเสร็จอยู่แล้วนี่ก็เหมือนกันผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรากับวัดเราเราก็ต้องคิดเหมือนกัน ส่วนไหนควรต่ำํำจังไรควรสูงอันไหนควรยังไงไม่ควรอย่างไรเนี่ยผมไม่ได้สอนให้ซื้อบื้อนะเอสอนให้แยกแยะนะอสอนให้ฉลาดนะสอนให้รอบคอบนะสอนให้ดูคนนะดูสูงดูต่ําดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังนะดูให้รอบคอบนะอไม่ใช่ว่าสอนให้ซื้อบือ้อซื้อบือ้อเอาแต่ความโง่ออกหน้าเนะนี่ยเหมอนเหมือนก่อนนั่นหรอกปัญญาว่ายัางงั้นล่ะใช่ธาตุสี ตาหูจมูกลิ้นกายมันเหมือนกันนั่นแหละแต่ใจมันไม่เหมือนกันนะอใจของพระพุทธเจ้าใจของเทวทัตมันคนละเรื่องกันเอแต่ว่าเรื่องธาตุสี่มันมองเหมือนกันนั่นแหละแต่ความสูงความต่ำยศถาบรรดาศักดิ์ความรู้ความฉลาดมันต่างกันเราต้องรู้จักแบ่งแต่ว่าคําว่าแบ่งคํานี้เราไม่จําเป็นจะต้องไปพูดมันอยู่ในใจของเราถ้าเราไปพูดมันก็โง่อีกเหมือนกันนั่นแหละ เรียกว่าสองมาตรฐานเองเขาจับใจสองมาตรฐานเองมันอยู่ในหัวใจใครหัวใจเรามันอยู่ในใจนี่ทำไงมันรู้ในใจอคนที่พูดสองมาตรฐานคือเหมือนกันนั่นแหละถึงตัวเองได้เป็นมันก็หลีกไม่พ้นอีกเหมือนกันอแต่มันพูดออกมามันพูดได้พูดขึ้นมาแล้วเออมันก็น่าฟังแต่เรื่องตามความเป็นจริงอย่างไรมันอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะนั้นจริงเหล่านี้พวกเราท่านทั้งหลาย จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภพยภาคหน้าถ้าไม่ศึกก็ต้องเป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้ใหญ่ถึงจะไปเป็นคารวาสก็เถอะก็จะต้องเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องแยกแยะเวลาเข้าไปหาใคร ท, ทําตนอย่างไรอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างไรไม่ใช่ว่าสื่อบื้อเ่าร์ไปไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ํายศทับบรรดาศักดิ์มันจะสูงขึ้นได้อย่างไรถ้าเราไม่รู้จักสูงไม่รู้จักแยกแยะถ้าเรารู้จักแยกแยะนั่นละ่ะยศทาบบรรดาศักดิ์กล้าวยศจันทเสริญ เมันก็ไหลามาเพราะเราเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้รอบคอบเป็นผู้รอบรู้แต่ถ้าทําอะไรแบบที่ซื่อๆ โ, โ, โง่ๆไม่ได้นะอยู่ที่ไหนก็ไม่ดีทั้งนั้นเป็นพระก็ไม่ดีพระซื่อบือ้อพระง โ, งโง่ๆพระเซ่อเซ่เป็นข้าราชการของโ ง, โง่ๆเซ่อเซมันจะเจริญปกครองบ้านเมืองได้อย่างไรเป็นพระก็จะดูแลพระพุทธศาสนาดูแลพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรแตคนโง่คนเซ่อมันรักษามไม่ได้ มอบความไว้วางใจไม่ได้อมอบให้รักษาศาสนาไม่ได้เพราะคนโง่อคนเซอร์มอบให้แต่พูดฉลาดนะนะรอบคอเพราะนั้นเราทุกคนต้องใช้ความฉลาดเท่าที่มีในหัวใจเราอคิดได้ให้ฉลาดที่สุดในหัวใจเราอแล้วก็นํามาคิดได้ยินอย่างนี้ยได้ยินที่ผมพูดเนี่ยนะเอาไปคิดดูสิเอามือกายหนะ้าผากคิดดูสิเป็นยังไงอหรือว่าคิดแล้วหลวงพ่ออินเห็นแก่ตัวพูดอย่างนั้นได้ยังไงวันเหร แต่ว่าผมพูดถูกนะอให้แยกแยะให้รู้จักสูงรู้จักต่ำแต่ดูภายนอกมันก็เหมือนกันนะร่างกายสังขารตาหูจมูกลิ้นกายมันเหมือนกันแต่ว่าใจนะั้นมันต่างกันเราจะไปเห็นได้ยังไงใจต่างเอาแสดงออกทําไมไม่โงอกจะต้องรู้ว่าคนไหนพูดเฉลียวฉลาดยังไงยศถาบรรดาศักดิ์เป็นยังไงเราต้องรู้ถ้าเราไม่โงอกนะถ้าเราโง่เองทุอย่างมันก็ไม่รู้อีกเหมือนกันนั่นแหละ เพราเหตุไรเราจะไปตำหนิคนอื่นให้ตำหนิตัวเองแต่โดยมากเป็นคนโง่ไม่ชอบตำหนิตัวเองนะมีแต่ยกหางตัวเองอยู่ตลอดเพราะเหตุายเพราะความโง่นั่นนะความโง่ตัวนี้มันน่ากลัวมากๆกิเลสตัวนี้เพราะนั้นพระวกปฎเจ้ากิเลสเป็นพิษเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่ออัตต์่อธรรมตรงข้ามกันเลยเป็นคู่อริคู่ศัตรูกันกับธรรมสรุปแล้วก็คือกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นคู่อริศัตรูกันกับธรรม เพราะนั้นพวกเราเราจะเป็นเข้าฝ่ายไหนถ้าเราเข้าฝ่ายธรรมนะเราต้องคิดนะเราต้องคิดต้องใช้ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นบรรทัดฐานมาเป็นแบบฉบับมาเป็นกระจกส่องเป็นกล้องส่องดูความชั่วช้าเสียหายในจิตในใจของเรานะต้องแย ก, กแยะให้ออกเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านนะอันนี้ก็ะโจนจะออกพรรษาแล้ว ที่ได้มอบหมายมอบฝั่งไว้ก็จะให้ขาดตกปกพ้องคำภาวณาออกพรรษาหรือว่ากะถิน่นจากนั้นก็ช่วยๆกันดูวัดว า, า, าศาสนาเสนาสนะถนนหนทางตดไม้ที่มันเฟื่อยมันอะไรกันช่วยๆกันทางหน้าวงหน้าวัดนั่นแหตัดดูง่งดูยามันเฟื่อยยังไงห่องน้องห่องน้ำ มันพอไหมทามันไม่พอเราจะทำยังไงแต่ดูๆแล้วปีนี้ทดลองดูก่อนถ้ามันไม่พอถ้าเสียงว่ามันไม่พอเราค่อยว่ากันปีที่แล้วมันกับไม่น่ามีปัญหาเรื่องน้าเรื่องห้องน้ำแต่ที่ยังไงเรื่องน้ำเรื่องน้ำเนี่ยเตรียมไว้เต็มอัตราสึกไว้เต็มนั้นเลยละเรื่องน้ำให้เต็มมาอยู่เสมอเรื่องน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยสาคัญแต่เรื่องไฟก็เหมือนกัน ต้องตรวจตาเรื่องไฟไว้อย่าให้ขาดตกปกพ้่องเรื่องไฟผู้ดูไฟแล้วว่าเครื่องอุปกรณ์การไฟล่ะมีไหมขาดตกบกพ้่องไหมถ้ามันขาดตกบกพ้่องอยากจะได้มาเขาบอกแต่ตามไม่จริงเขาก็บอกเหมือนกันนะถ้าหลวงพ่อต้องการไฟเขาจะขึ้นมาวันนี้นะบอกนะสายฟงสายไฟถ้าต้องการมีอะไรต้องการก็บอกผมก็ลืมบอกหมูเหมือนกันนะเพิ่งมาละเลิกได้นะถ้า มีอะไรกโร็โทรไปหาเขาก็ได้บอกไปหาเขาก็ได้โทรไปบอกก็ได้ถ้าขาดหรืออะไรบอกเขาเขาอาจจะขึ้นมาก็ได้วันนี้อันนั้นก็คือเรื่องเครื่องฟงเรื่องไฟเรื่องไฟเรื่องสายไฟเรื่องอะไรที่จําเป็นจะได้ใช้แต่ถ้าไม่จําเป็นอย่าไปรบ ก, กวนเขานะไม่ใช่ว่านี่ทีนี้หน่อยก็ไม่ได้ตรวจดูของตนเองเลยมีแต่ขอคนอื่นไปนั้นอย่าทําำอันนั้นไม่ถูก เราต้องดูของเราซะก่อนขาดจริงๆมีความจําเป็นจริงๆอยังค่อยออกมาใช้ไม่ใช่ว่าโมเมียแล้วก็สั่งด่าเข้ามาเลยเอ่าเขาเพราะว่าเขาให้สั่งทําอย่างนั้นไม่ถูกนะไปอยู่ที่ไหนเดือดร้อนไปหมดถ้าไปเป็นหัวหน้าหมู่ก็เดือดร้อนหัวหน้าอา<ม>่เผอเผื่อโดนฟ้องร้องอต่างหากเพราะอะไรเพราะมันขาดความรอบครอบสิ่งตัวนี้มันต้องคิดนะสิ่งไหนที่จะเดือดร้อนคนอื่นอย่าทํามันพอเป็นพอไปพอใช้อยู่ ใช้ไป เ, เว้นเสียแต่ว่ามันขาดตัวบกพ้องจําเป็นยังคอยว่ากันของอยู่ของฉันของใช้ของสอยอะไรเหมือนกันปัจจัยสี่พอเป็นพอไปอยู่อย่าสั่งเข้ามาใช้ของที่มีก่อนถึงจะไม่ดีร้อยเปอร์ซแต่มันใช้ทดแทนกันได้เจ็ิปดิเอร์เซ็นตหกสิบเ็นต์เราไปใช้ของเราก่อนอย่าไปคิดใช้ของที่มันดีเลิศพอเราเป็นพระปาเราต้องรู้จัก รู้จักฐานะของตนเองเราไม่ใช่กลุ่มเศรษฐีเราเป็นกลุ่มพระปาตามมีตามเกิดแต่ว่าก็จะให้ขาดตกบกพ้องจนเกินไปให้ช่วยกันดูสิ่งเหล่านี้แหละอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายคิดให้รู้จักสถานะของตนเองเนั่นถ้าเราคิดรู้จักประมาณในตนเองแล้วนั้นเราจะไปเป็นคารวาัตเราก็รู้จัก การเป็นอยู่ของเราไม่ไม่เดือดร้อนเมื่อเราเป็นพระอยู่ป่าโรงพงไพ่เราก็มองดูกับตัวเราไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่รู้จักประมาณตนนะัะนเห็นวัดอื่นเขาได้ตัว เ, เองก็อยากได้ไม่รู้จะสั่งมาเพื่ออะไรสั่งมากองๆไว้ยางั้นนะ่ะเพราะเขาได้มาเราก็เหมือนได้อยากจะได้กับเขาผลที่สุดคนนั้นนะเสียหายผลที่สุด มันเสียตัวเองนะั่นแหะไม่ใช่เสียอื่นไกลเสียทางด้านจิตใจไม่ใช่เสียภายนอกนะแต่นะเสียใจเสียจิตใจของเราแสดงว่าใจของเราในโลกหมกหัโงกนะไม่รู้จักประมาณตนอถึงจะเป็นพระก็เป็นพระไม่มีคุณภาพ เ, าเพราะมันขาดขาดคุณธรรมในจิตใจแล้วมันจะไปมีคุณภาพได้ยังไงคุณธรมรมทำก็ ค, คือความถูกต้องคือความเป็นธรรมคือหลักเหตุผลนะ่ะเพอะนั้ขอให้พวกเราคิดนะช่วยกันคิด การเป็นอยู่ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเอะคือหมวดสินเรื่องของศินเรื่องของหมวดสินการเป็นอยู่ที่อธิบายที่พูดให้ฟังเนี่ยความรอบครอบทั้งหลายทั้งปวงเนนหลจัจากเป็นหมวดสินถ้าสินไม่ดีแล้วอยู่ด้วยกันไม่ถูกต้องแล้วขาดตกบกพร่องเรื่องศินแล้วเนเรื่องธรรมอย่าหวังเลยทนะ่านเพราะมันศินมัน ด่างมันทะลุมันพลอยมันไม่ไปตามกรอบหลักเหตุผลแล้ว เ, เรื่องทำก็ห่างออกไปอีกถ้าขาดคุณธรรมและเสรีมดคนความหมายของของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่พูดทางนี้ท้งนั้นมีสรุปแล้วก็คือสอนบอกกล่าวความรอบครอบให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายเพราะการดำรงชีพของพวกเร า, เาปัจจัยสี่เราควรจะใช้อย่างไง แล้ควรจะคิดยังไงแล้วก็พร้อมกันให้ถามตัวเองวันคืนล่วงไปล่วงไปขณะนี้เวลานี้เราทำอะไรอยู่ให้ถามดูพวกผมคุยกันอยู่พวกผมสนทนาเรื่องโลกกันอยู่พวกผมกำลังทะเลาะกันอยู่พวกผมกำลังกินสมอกันอยู่พวกผมกำลังกินกาแฟกันอยู่อย่างนั้นเหรอ กหมอย่างนั้นวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่เพราะนพวกทรายถามตัวเองนะพวกเรานะ ท, ทุกท่านนะเอาตอนนี้ไปสวดท้ายปฏิโม ก, กันเลยกัน